อีกครั้งหนึ่งที่กรุงราชคฤือมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนพราหมณเคยเป็นสหายของวังคันตะพราหมณ์ผู้บิดาของพระธรรมเสนาบดีพราหมณ์ผู้นี้เคยมั่งคั่งมากต่อมาตกยากพระสารีบุตรต้องการจะสงเคราะห์เขาจึงไปบินธบดียังประตูเรือนของพราหมณ์นั้นมหาเสนผู้ซึ่งบัดนี้ตกยากได้เห็นพระเถระมายือนอยู่ที่ประตูเรือนคิดว่า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 พระเถระเข้าฌานสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาหาบุคคลที่ควรโปลดให้เห็นด้วยทิพฐจักสุขซึ่งพราหมณ์นั้นว่าบัดนี้เขามีทายธรรมแล้วเราควรไปโปรดเขาจึงไปยังประตูรเรือนของพราหมณ์นั้นพอเห็นพระเถระเท่านั้นจิตของพราหมณ์ก็เลื่อมใสเขาเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วกระทําปฏิสันฐานนิมนต์ให้นั่งบนเรือนถือถาที่เต็มด้วยข้าวปลายาต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 จะริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีพักอยู่ณเชตวันวิหารท่านกล่าวว่าฐานที่บุคคลให้แล้วในคราวตกยากย่อมยังพูดทำให้ร่าเริงเบิกบานและมีอานิสงส์มากด้วยเหตุนี้พราหมณ์นั้นถวายทานแต่พระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งโสมนัสอย่างยิ่งมีความศิเนหาเป็นอย่างยิ่งในพระเถระไม่นานนะัก พรามนั้นทำกาละแล้วไปปฏิสนธิในสกุลอุปถากของพระเถระในกรุงสาวัตถีมารดาของทารกในคันไดบริหารคันอย่างดีเว้นการบริโภค ข, ของร้อนจัดเย็นจัดเปรี้ยวจัดและเผ็ดจัดเป็นต้นถึงกระนั้นนางก็ได้มีอาการแพ้ท้องไครท่ทำบุญกุศลรำพึงอยู่เสมอว่าฉไนหนอเราพึงนิ ม, มนต์ภิกษุห้าร้อยรูป มีพระสารีบุตรเถระเป็นประธานให้นั่งในเรือนถวายข้าวปายาิเจือน้ำนมล้วนแม้เราเองก็พึงนุ่งห่มผ้ากาสาวะถือขันทองคำนั่งปลายอาสนะและบริโภคข้าวปายาิที่เหลือจากพิสุจ์ทั้งหลายการที่นางผู้เป็นมารดามีอาการแพ้ท้องดังนี้เป็นบุพนิมิตว่าบุตรที่อยู่ในคันนั้นจกได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา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 ระหว่างเวลาที่ทารกอยู่ในคันนั้นเมื่อปารกจะทำงานมงคลใดๆก็ทำโดยทํานองนั้นทุกครั้งคือถวายข้าวปายาตแก่พิสุสงมีพระสารีบุตรเทระเป็นประธานและนางนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั่งอยู่ปลายอาสนะถือขันทงคำบริโภคข้าวปายาตที่เหลือจากพิสุสงในวันคลอดพวกญาติได้ทำพิธีมงคลให้ทารกอาบน้านแต่เช้าตรู่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 ฟันหนังนี้เมื่อพิจารณาหนึ่งเนงย่อมทาให้เบื่อหน่ายคลายกาหนัดจิตเป็นสมาธิได้เร็วกรรมฐานห้านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยทรงละทิ้งเลยอันหนึ่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้พิจารณากรรมฐานห้านี้แล้วได้บรรลุอรหัตผลมีจำนวนมากมายกาหนดไม่ได้พระสารีบุตรเถระบอกกรรมฐานห้าให้แล้ว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 เพียงสองวันเท่านั้นสามเณรได้ผ้าสาดกจำนวนพันและทายธรรมอื่นๆ อ, อีกเป็นอันมากเธอได้ถวายของเหล่านั้นแก่ภิกษุสงฆ์การที่สามเณรได้ผ้าสาดกเป็นอันมากนั้นเป็นอนิสงฆ์แห่งการถวายผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในสมัยที่ตนเป็นพรามยากจนด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามสามเณรว่าบินทปาตทายกติสสะติสสะผู้ถวายบินทบาท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 แต่พวกเรามีบุญน้อยจักได้ผ้ากำพลจากที่ไหนเล่าท่านผู้เจริญถ้ากรณ์นั้นท่านทั้งหลายจงมากับข้าพเจ้าเถิดท่านที่ต้องการผ้ากำพลจักได้ผ้ากำพลภิกษุจำนวนมากอาศัยสามเณรผู้มีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเข้าไปสู่นครสาวัตถีสามเณรมิได้วิตตกเลยว่าเราจาักได้ผ้ากำพลที่ไหนสำหรับภิกษุจานวนมากอย่างนี้สามเณรเดินไปตามลาดับเรือน ภายนอกนครสาวัตถีได้ผ้ากำพลถึงห้าร้อยผืนแล้วเข้าไปภายในพระนครชาวเมืองนําเอาผ้ากำพลจํานวนมากจากที่นี่บ้างที่โน่นบ้างมาถวายชายคนหนึ่งเห็นเจ้าของร้านคนหนึ่งกําลังคลี่ผ้ากำพลอยู่จึงพูดว่าท่านจงรีบซ่อนผ้ากำพลสิเถิดสามเณรรูปหนึ่งกําลังรวบรวมผ้ากำพลอยู่ก็สามเณรถือเอาเฉพาะผ้าที่เขาให้แล้ว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 เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตตบุรุษทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตบุรุษทำตามได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดําเนินหรืออนาคตของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดินฟังมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกัน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 ถ้าสามเณรเห็นแล้วเราไม่ให้เราก็ละอายจลิ่นซ่อนผ้ากำพลสองผืนนั้นเสียแต่พอสามเณรพร้อมด้วยภิกษุจํานวนมากมาถึงเขาพอได้เห็นสามเณรเท่านั้นความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นสรี่ระทั้งสิ้นเอิบอาไปด้วยความรักเขาคิดว่าอย่าว่าแต่ผ้ากำพลเลยสําหรับสามเณร น, นี้แม้ดวงใจเราก็ให้ได้ ดังนี้แล้วจึงนําผ้ากําพลสองผืนที่มีราคาแสนนั้นมาวางไว้แทบเท้าของสมมเนรพร้อมกล่าวว่าขอข้าพเจ้าได้เห็นธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดสมมเนิอนุโมทนาว่าขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จดังประสงค์สมมเนินได้ผ้ากําพลภายในพระนครอีกห้าร้อยผืนวันเดียวเท่านั้นเธอได้ผ้ากําพลถึงหนึ่งพันผืนได้ถวายแก่พิสุทั้งหลายแล้ว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 จึงได้เดินทางเข้าไปในป่าซึ่งระยะทางประมาณ1้อยยี่สิบโย์พบอุบาสกคนหนึ่งในหมู่บ้านป่าจึงถามว่าในแถบนี้ที่อยู่อาศัยของพิสุจ์มีอยู่บ้างหรือไม่เมื่ออุบาสกบอกว่ามีจึงขอให้เขาชี้ทางให้เพียงได้เห็นและได้พูดกับสามเณรเล็กน้อยเท่านั้นความรักเกิดขึ้นแก่พรามประดลสามเณรเป็นบุตรของตนแทนการบอกทางเขากล่าวว่า มาเธอสา ม, มนเณรข้าพเจ้าจากพาท่านไปอุบาสกพาสามเณรไปผ่านสถานที่อันน่ารื่นรมต่างๆจน ถ, ถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าจึงบอกแก่สา ม, มนเณรว่าที่นี่เป็นที่สบายขอท่านอยู่ตามอัธยาศัยเถิดถามชื่อของสา ม, มนเณรแล้วขอร้องให้สา ม, มนเณรไปบินทบาทที่บ้านของพวกตนในวันรุ่งขึ้นเที่ยวเป่าประกาศแกเพื่อนบ้านว่าสา ม, มนเณรชื่อวณนะ วาสีติสสะมาพักอยู่ณวิหารในป่าขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงอาหารมีข้าวต้มหรือข้าวสวยเป็นต้นด้วยเถิดเดิมทีเดียวสามเณรชื่อติสสะเฉยเฉยต่อมาได้นามว่าบินทปาทายกะติสสะเพราะแบ่งปันอาหารบินทบาทให้แก่พิกษุทั้งหลายอยู่เลีองนิดต่อมาได้ชื่อว่ากัพลทายกะติสสะเพราะถวายผ้ากัพลแกพิกษุทั้งหลาย เวลานี้สามเณรได้นามว่าวณวาสีติสักเพราะมีปกติอยู่ในป่าเพียงอายุเจ็ดขวบเท่านั้นมีชื่อตามคุณสมบัติถึงสามชื่อรวมชื่อเดิมอีกหนึ่งเป็นสี่ชื่อรุ่งขึ้นสามเณรไปบินถบาตแต่เช้าตรู่พวกมนุษย์ถวายพิษาแล้วไหว้สามเณรกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงพ้นทุกข์มีความสุขเถิด ทุกคนที่ถวายภิกษุแต่สามเณรแล้วไม่มีใครกลับต่างก็ยืนมองสามเณรด้วยความชื่นชมโสมนัสแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเณรหมอบลงด้วยอกคืออกราบกับพื้นแบบเบญจางขปดิก์กล่าวว่าขอนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่เถิดตลอดไตรมาสนี้ผูข้ขปเจ้าจะถึงสารณะสามและตั้งอยู่ในศีลห้าจักรักษาอุโบสถกรรมเดือนละแดครั้ง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 สามเณรบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณเสนาสนะป่านั้นบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิชาทั้งหลายในเดือนที่สามนั่นเองเมื่อออกพรรษาปวรณาแล้วพระสารีบุตร อุปชัยยะของสัมมเนนเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลลาไปเยี่ยมสัมมเนนเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตแล้วก็ไปบอกพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะขอไปด้วยแม้พระมหากสปะพระอนุรุท ธ, ธะพระอุบาลีและพระปุณณาก็ไปพร้อมด้วยบริวารของตนของต น, อ, งตนอุบาสกผู้อุปถัมภ์สัมมเนนเห็นพระเถระเหล่านั้นมาจึงต้อนรับอย่างนอบน้อม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 ขอท่านได้โปรดให้พระธรรมกถึกรูปอื่นแสดงทำเถิดสามเณรแม้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ไม่เคยกล่าวทำใดๆแก่อุบาสกเหล่านั้นเลยพระสารีบุตรอุปชายแห่งสามเณรรู้อัธยาศัยแห่งสามเณรจึงกล่าวว่าสามเณรบุคคลจะถึงความสุขได้อย่างไรและจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเธอจงกล่าวความแห่งสองบทนี้แก่เราทั้งหลายสามเณรผู้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วรับคำของพระเถรละแล้วขึ้นสู่ธรรมาตชักผลและเหตุมาจากนิกายทั้งห้าของพระสุตตันตะจำแนกขันธ์ธาตุอายตนะและโพธิปัจิยธรรมดุดมหามเมกตั้งขึ้นในสีทิศยังฝนให้หลังลงกล่าวธรรมกถามุ่งเอาอารหัตผลเป็นยอดโดยในว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายความสุขแท้จริง ย่อมมีแก่ท่านผู้บรรลุอรหัตผลเท่านั้นท่านผู้บรรลุอรหัตผลนั่นเองย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นบุคคลนอกจากนี้หาชื่อว่ามีความสุขแท้จริงไม่และหาชื่อว่าพ้นจากทุกแท้จริงไม่พระเถระกล่าวว่าสามนเณรเธอกล่าวชอบแล้วเหนือความเห็นธรรมเธอกล่าวถูกต้องแล้วต่อไปเธอจงกล่าวสารพัญญะเถิด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 ในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ด้วยพุทธจักสุทรงเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอุปถาของสัมเ น, นทั้งสองพวกทรงทราบว่าพวกที่โกรสามเ น, นจักไปนรกถ้าเสด็จไปโปรดพวกเขาจักมีเมตตาจิตมีจิตอ่อนโยนในสัมเนนแล้วจักพ้นทุกข์ได้มนุษย์ทั้งหลายกลับไปบ้านจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น ผูอาสนะไว้คอยการมาของพิสูจน์ทั้งหลายแม้พิสูจนทั้งหลายทําการชําระสรีระแล้วก่อนจะเข้าบ้านเพื่อพิจาาได้ถามสมมเนนว่าจัะไปพร้อมกับพวกตนหรือจะไปทีหลังสัมมเนนเรียนว่าขอให้ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดส่วนข้าพเจ้าจกไปตามธรรมดาของตนพิสูจ์ทั้งหลายจึงถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้าน แม้พระาศาสดาก็ทรงห่มจีวรในเชตวันแล้วทรงถือบาศเสด็จไปยังที่นั้นโดยขณะจิตเดียวเท่านั้นแสดงพระองค์ข้างหน้าของพิสุทิ์ทั้งหลายพวกมนุษย์ได้ตื่นเต้นเออกระเิกเป็นเสียงเดียวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาต่างชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งอาราธนาพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายยาคูถวายพัด เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายยังเสวยและฉันไม่เสร็จนั่นแลสามเณรติสระได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านได้นําอาหารออกถวายสามเณรด้วยความเคารพสามเณรรับอาหารแต่พอสมควรแก่ตนแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาน้อมบาดเข้าไปถวายพระาศาสดาตรัสว่านํามะเถรติสระแล้วทรงเหยียดพระหัตทรับบาดจากสามเณรมอบให้พระสาเรบุตร ด้วยพระวาจาว่าจงดูบาสัมมเนนของท่านเถิดสารีบุตรพระสารีบุตรรับบาจากพระหัตของพระศาสดาแล้วตรวจดูแล้วมอบให้สัมมเนนพร้อมกล่าวว่าไปนั่งทำพัตกิจในที่อันสมควรแก่ตนเถิดสัมมเนนชาวบ้านอังคาตพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่า ท่านทั้งหลายได้เห็นพระอสิติมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เพราะอาศัยสัมมเนนได้เห็นเราตถาคตก็เพราะอาศัยสัมมเนิ น, นได้ทำบุญเห็นปานนี้ก็เพราะอาศัยสัมมเนนเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มีสัมมเนินผู้มีบุญเห็นปานนี้เป็นที่พึ่งเป็นบุญอันประเสริฐของท่านทั้งหลายแล้วที่ได้อุปถัมบารุงสั ม, มเนนมาเป็นเวลาสามสี่เดือน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 สถานที่นี้ชื่อนี้สถานที่นี้ชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาสเสด็จมาถึงที่อยู่ของสัมเณ น, นแล้วสเสด็จขึ้นภูเขาเมื่อเสเด็จขึ้นถึงยอดเขาแล้วพ่ะพระเนรเห็นมหาสมุทรอยู่เบื้องพระพัก พ, กพระศาสดาตรัสถามสัมเณ น, นว่ายืนอยู่บนยอดเขาเห็นอะไรเห็นมหาสมุทรพระเจ้าข้าสามเณีทูลตอบเห็นมหาสมุทรแล้วคิดอะไรบ้างพระศาสดาตรัสถาม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 เมื่อมีความตำริผิดเป็นทางดาเนินเช่นนี้ก็ไม่อาจบรรลุหรือพบทางแห่งสันติสุขได้มีแต่ทุกข์เป็นเบื้องหน้าพระาศาสดาตรัสถามสามเณรอีกว่าเธออยู่ที่เงื้อมไหนอยู่ที่เงื้อมนี้พระเจ้าข้าสามเณรทูลตอบเมื่ออยู่ที่เงื้มนั้นเธอคิดอย่างไรข้าพระองค์คิดว่าเมื่อข้าพระองค์เวียนเกิดเวียนตายอยู่ สเตระอันถูกทิ้งแล้วณนะที่นี้มีจํานวนมากจนกําหนดไม่ได้พระเจ้าข่าถูกแล้วติสัสพระศาสดาทรงประธานสาธุการก็ที่เธอกล่าวนั้นชอบแล้วใ น, นผื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยทิ้งสเตรระไม่เคยนอนตายนั้นไม่มีเลยแม้แต่น้อยดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าพราหมณคนหนึ่งชื่ออุปสารหกะ เผาแล้วตรงนี้หมื่นสี่พันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสักจจะหนึ่งทำหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสํารวมหนึ่งความฝึกตนหรือฝึกอินทรีหนึ่งมีอยู่ณที่ใดพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมพอใจอยู่ณที่นั้นนั่นแหละคือที่ที่สัตว์ไม่เคยตายในโลกดูก่อนท่านผู้สแสวงมรรคาแห่งอมะตะ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 สาเหตุของความเกิดก็คือพบความกระหายใคร่เกิดสาเหตุของพบคืออุปทานความยึดมั่นอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งสาเหตุของอุปทานคือตัณหาความทยานอยากมีประการต่างๆผู้มีคุณพิเศษเช่นพระอ น, นุ์เป็นต้นเท่านั้นจึงจะสามารถตายในที่ที่สักไม่เคยตายได้คือนิพพานในอากาศพระอ น, นุเถระ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 พวกเรามีอุปการะมากต่อพระเถระพระเถระจะต้องปรินิพานทั้งฝั่งของเราพระเถระฟังคำของคนทั้งสองฝั่งน้ำโรฮินีแล้วคิดว่าชนเหล่านั้นล้วนมีอุปการะต่อเรามากเสมอกันถ้าเราจักปรินิพานทั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนทั้งสองพวกจกทะเลาะกันเพื่อแย่งอัธิาธาต์ของเราความทะเลาะวิวาทหรือความสงบจะเกิดขึ้นก็ด้วยอาศัยเราเป็นแน่แท้ ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ทางฝั่งของตนนั่นแหละจะได้อธติธาตของเราตามต้องการท่านทั้งหลายมีอุปการะต่อเราเสมอกันในวันที่เจ็ดแต่วันนั้นพระอานนทเถระนั่งคูบัลังในอากาศสูงประมาณเจ็ดชั่วลําตาลท่ำกลางแม่น้ําโรหินีกล่าวธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้นแล้วอธิษฐานว่าขอสเตรระของเราจงแตกในท่ากลาง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 เสียงร้องไห้ระ ง, งมไปทั่วประนึงแผ่นดินสุดน่าสงสารกว่าเสียงร้องไห้ในวันปรินิพพานแห่งพระศาสดาเพราะประชาชนร้องไห้อยู่ตั้งสี่เดือนเพอ ร, รำผ่านว่าเมื่อพระเถระอานน์ยังอยู่ปรากฏแก่พวกเราเสมอหนึ่งว่าพระศาสดา ย, ยังทรงพระชนอยู่บัด น, นี้พระศาสดาของพวกเราปรินิพพานเสียแล้ว พระาศาสดาตรัสถามสมณเณรติสะต่อไปว่าเธออยู่ในป่าชักนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์มีเสียงเสือเหลืองเป็นต้นหรือไม่กลัวเลยพระเจ้าข่าสมณเณรทูลตอบอีกประการหนึ่งการได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นทําให้ข้าพระองค์มีความยินดีในป่ายิ่งขึ้นสมณเณรติสะได้พนานาคุณของป่าเป็นอันมากเฉพาะพระพักของพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วตรัสว่า ติสสเราและภิกษุสงฆ์จะไปเดี๋ยวนี้เธอจะไปกับเราหรือจะกลับข้าแต่พระองค์ถ้าอุปชายยะของข้าพระองค์ให้กลับก็จะกลับถ้าอุปชายยะให้ไปก็จักไปพระาศาสดาเสด็จหลีกไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แต่อัธยาศัยของสมณเณรใคร่จะกลับแต่ประการเดียวพระสารีบุตรเถระทราบอัธยาศัยของสมณเณรจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอประสงค์จะกลับ ก็จงกลับเถิดสามเนนถวายบังคมพระาศาสดากราบลาภิกษุสงฆ์แล้วเดินกลับพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปยังเชตวนารามเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอาัศจรรย์ิงหนอติสสะสามเนนทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแท้เป็นผู้มีลาบมากตั้งแต่เกิดมาเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้อุดมด้วยลาบสการะ แต่เธอสามารถละทิ้งลาบสการะป่านนั้นได้แล้วเข้าไปสู่ป่ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่ละกันไม่ประณีตสามารถทําสิ่งที่ทําได้ยากจิิงหนอพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่พิสุสนทนากันแล้วตรับว่าภิกษุทั้งหลายสมมเนติสะทําสิ่งที่ทําได้ยากพิกสุทั้งหลายปฏิปทาเพื่อให้ได้ลาบเป็นอย่างหนึ่งส่วนปฏิปทา เพื่อให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งพิสูทั้งหลายประตูแห่งอบายสีย่อมเปิดออกสำหรับพิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อลาบสการะแม้จะสมาธานทุดดงมีการอยู่ป่าเป็นต้นถ้ามุ่งลาบสการะเป็นจุดมุ่งหมายก็ไม่พ้นอบายสีส่วนพิกษุละลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วเข้าสู่ป่าเพียรพยายามอยู่ย่อมสามารถยึดเอาพระอรหัตไว้ได้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่า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 พระบรมศาสดาทรงชี้ให้เห็นโทษอยู่เนือ ง, องทรงพร่ำสอนภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ให้ติดในลาภยศชื่อเสียงเพราะมันทารุณแสบเผ็ดถึงลงต่ำย่ำยีจิตใจให้เร่าร้อนกังวลเป็นทางไหลามาแห่งริ์ยาและมานะไม่ดีเลยแต่ทรงพร่ำสอนให้พอใจในวิเวกพอกพูนวิเวกพระดากายวิเวก ค, ความสังัดกาย มีกายอยู่ในที่สงดนั้นเป็นเครื่องบรรเทาการคลุกคลีด้วยหมณะจิตวิเวกความสงัดจิตหมายถึงการที่จิตถอยห่างจากอารมณ์ยั่วยุนนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความหมักห ม, มมด้วยกิเลสส่วนอุปถิวิเวกคือพระนิพพานนั้นย่อมบรรเทาเสียได้ซึ่งความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปถิวิเวก ดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่ากายวิเวของท่านผู้มีกายสงบแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคขมะจิตวิเวของผู้มีจิตบริสุทธิ์แล้วถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งอุปธิวิเวของผู้ไม่มีอุปธิถึงพระนิพพาน